วันนี้เป็นวันอังคารที่สิบกันยายนพุทธศักราชสอง7้าตรงกับวันขึ้น8ดค่ำเดือนสิบซึ่งเป็นวันพระวันธรรมสวนัสะ วันฟังธรรมวันพระนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของพระพุทธศาสนาถ้ามันไม่ใช่เป็นวันสำคัญพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงมัญญดวันพระนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าไม่มีวันพระ พุทธศาสนิกชนก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและนำเอาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ผล ที่เกิดจากการปฏิบัติก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆและการเข้าถึงความสุขของจิตใจในระดับต่างๆเพราะว่าตามปกติตามนิสัยของใจทั่วๆไปของปุถุชนมักจะ สู่กำนาจของความโลภความโกรธความหลงในโลกกะระรมทั้งหลายเช่นในลาบยศสรรเสริญและในรูปเสียงกลิ่นรสผลพัะชนิดต่างๆครอบงาเอาไว้คือจิตใจจะมีแต่ความคิดที่จะแสวงหาความสุขของโลกกะระม คิดที่จะหาลาบคิดที่จะหายศคิดที่จะหาทรรเสริญคิดที่จะหาความสุขจากรูปเสียงเกียนิโนดผธรรมพธาตชนิดต่างๆก็จะไม่มีเวล่ำเวลาที่จะมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะได้รับผลอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐจากการปฏิบัติธรรมผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้เป็นผลที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่จะได้รับจาก โลกกระทำทั้งสี่จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเพราะรสแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมก็คือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัตินี้ความสุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้ ต่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเหนือกว่าที่จะดีกว่าความสุขที่เกิดจากการศึกษาและปฏิบัติและบรรลุถึงผลนี่จึงจำเป็นที่จะต้องมีวันพรกขึ้นมา อนพระเพื่อให้สาธุชนพุทธบาลสัตย์หยุดภารกิจการงานทางโลกกะระทำเสียให้ขอให้หยุดการแสวงหาราบยดสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพชนิดต่างๆไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ เพืที่จะได้บรรลุถึงผลอันเลื่อันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีเวลาเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติอย่างเป็นกรอบเป็นกรรมอย่างเป็นกิจจลักษณะโอกาสที่จะให้ผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าอย่างน้อยให้มีเวลาสักหนึ่งวันห น, นึ่งวันกับหนึ่งคืนคำว่าหนึ่งวันก็หมายถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเริ่มต้นตั้งแต่วันเริ่มต้นตั้งแต่วันใหม่วันขึ้นการขึ้นของพระอาทิตย์ของวันใหม่ เช่นช่วงนี้พาะที่จะขึ้นประมาณหกโมงเช้าเราก็นับเวลาของวันพระตั้งแต่หกโมงเช้าของวันนี้แล้วก็จะไปจบถึงหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะได้2ีสิบสี่ชั่วโมงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนให้เอาเวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนี้มาให้กับการศึกษา มาให้กับการปฏิบัติอย่างจริงจังอย่างที่ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับภารกิจทางโลกเลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการทำมาหากินไปหามาลากยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโถทอดพระชนิดต่างๆตัดมันไปหนึ่งวันเลยทําไมจะตัดไม่ได้เราอยู่กับโลกกระทำได้ตั้งหกวัน วันเดียวทำไมเราจะหยุดมันไม่ได้เพื่อที่จะได้มีเวลาว่างให้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังสมัยก่อนสมัยโบราณประเทศไทยเรานี้จะถือวันพระเป็นวันหยุดทำงาน วันพระหรือบางพังก็บวันโกนด้ว้วันโกนกับวันพระวันโกนก็คือวันก่อนวันพระวันโกนวันพระแต่ที่แน่นอนก็หยุดในวันหยุดในวันพระวันโกนอาจจะหยุดครึ่งวันทำครึ่งวันเพื่อจะได้ครึ่งวันจะได้มีเวลาไปเตรียมตัวเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรม ในวันพระในวันหยุดสมัยก่อนจาเป็นที่จะต้องไปวัดกันเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมและไปปฏิบัติธรรมกันเพราะสมัยก่อนไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหมือนสมัยนี้ที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้ เรามีเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือหรือถ้าไม่มีก็มีอย่างอื่นมีหนังสือธรรมะให้เราอ่านได้มีเครื่องบันทึกเสียงแถบบันทึกเสียงต่งตางๆไว้เปิดฟังได้ไว้เปิดดูได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้แต่สมัย ก่อนนั้นไม่มีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้การไปวัดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพื่อได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระผู้ทรงธรรมทั้งหลายพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จะเอาธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาแสดงมาสั่งมาสอนเพื่อให้ สาธุชนพุทธบาลสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าจะต้องประพฤติปฏิบัติต้องอย่างไรเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเพื่อที่จะสร้างความสุขต่างๆให้มีปรากฏขึ้นมาในใจ ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้วิธีการดับทุกข์วิธีการสร้างความสุขของใจ<ม>จะไม่สามารถที่จะนาเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นผลขึ้นมาได้เลยยํ<ม>าเป็นที่จะต้องมีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้ว ก็จะได้นำมาไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปแล้วก็การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลที่ดีก็ก็ต้องปฏิบัติที่วัดเพราะวัดเป็นสถานที่สงบเหมาะต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า mm. ถ้าปฏิบัติที่บ้านเนี่ยจะมีอุปสรรคมี สิ่งที่มาคอขัดขวางการปฏิบัติคือนิวรณ์ในรูปแบบต่างๆจะทําให้การปฏิบัติธรรมนี้เป็นไปได้ยากแต่ถ้าไปอยู่ที่วัด น, นี้การปฏิบัติมันจะง่ายกว่าเพราะนิวรณ์สิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกาั้นการปฏิบัติก็จะมีน้อยกว่าหรือแทบจะไม่มีเลย การไปวัดจึงยังถือเป็นเรื่องสําคัญถึงแม้ว่าในสมัยนี้เราอาจจะฟังเทศฟังธรรมที่บ้านก็ได้ที่ทํางานก็ได้แต่บรรยากาศของที่บ้านที่ทํางานนี้มันไม่สงบการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีนี้จะได้ผลดี กว่าถ้าได้อยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาสร้างความอึดอระทึกีขุกนคมให้แก่จิตใจการไปวัดจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การไปวัดนี่นะเป็นเป็นสถานที่ที่เหมาะที่สุด แต่ต้องเป็นวัดที่เป็นวัดปฏิบัติเพราะสมัยนี้วัดเราก็มีเป็นวัดที่ไม่ปฏิบัติก็มีวัดที่ปฏิบัติก็มีมถ้าไปที่วัดไม่ปฏิบัติก็จะไม่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติบุคคลที่อยู่ก็จะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติคือเรียกว่าไม่สบายอะอ การปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีสถานที่สัปปายะคำาสัปปายะก็คือสบายคำบาลีเรียกว่าสัปปายะแปลมาเป็นภาษาไทยก็เป็นคําว่าสบายสบายต่อการปฏิบัติไม่ไม่ยากลําบากการปฏิบัติธรรมนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราไม่รู้จักเลือกสถานที่ให้กับการปฏิบัติไปเลือกในไปเลือกปฏิบัติในสถานที่ที่ไม่สัปปายะมันก็เลยปฏิบัติยากแต่ถ้าเราได้สถานที่ที่สัปปายะสถานที่สงบนะการปฏิบัติก็จะง่ายไม่ยากหรถ้าเรารู้จักวิธีการปฏิบัติต่างๆที่พูะเจ้าทรงสอน แล้วนำมาไปปฏิบัติการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นเลยและการที่จะเข้าถึงผลอันเลิศอันประเสริฐจากการปฏิบัติก็จะไม่ได้เป็นของที่เหนือกว่ า, เ, าเหนือกว่าความสามารถไม่สุดหรือเอื้อมทุกคนสามารถเข้าถึง ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติได้ทุกคนสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจากการปฏิบัติทำคำสอนได้แต่ต้องศึกษาต้องรู้อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรอะไรที่เป็นสัายะอะไรที่ไม่เป็นสัปพายะนะสัปพายะนี่ท่านแสดงไว้ในตารารล้วมัมีอยู่สี่ห้าอย่างด้วยกัน เช่นสถานที่สัปายะบุคคลสัปายะอาหารสัปปายะอากาศสปายะอันนี้เท่าที่จำได้ข้อใหญ่ๆก็มีอยู่สี่ข้อนี้ที่จะบ่งบอกถึงการปฏิบัติว่าจะยากจะง่ายนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับบุคคล ขึ้อยู่กับอาหารขึ้นอยู่กับอากาศอพอมีส่วนที่จะมากระทบต่อการปฏิบัติได้เช่นสปายะในสถานที่ก็คือที่ต้องเป็นที่สงบสงัดวิเวกถ้ากายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกกายวิเวกก็คือสถานที่ที่เราไปอยู่ ที่ร่างกายไปอยู่นั้นเป็นที่ที่สงบสงัดวิเวก<น>ไม่มีเสียงหรือกระทุกครุอนไม่มีกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกาย<น>ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะที่ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันก็เป็นสถานที่ที่เสพกามกัเสพการมารมคุณห้า เสียงรูเสียงกลินรสผลิตภพณฑของสถานที่ไปท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการมาเสริมถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีการขายขนมขายเครื่องดื่มขายอาหารขายอะไรต่างๆเพราะนี่เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องมีอะไรกินมีอะไรดื่มมีอะไรดูมีอะไรฟัง เพื่อให้เพลิดเพลินทางด้านจิตใจแต่ความสุขที่ได้จากการเสพกามนี้ก็เป็นโล ก, กธรรมเป็นความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสพุพพะเป็นโล ก, กธรรมเป็นความสุขที่ไม่ไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวรเป็นความสุขที่จะทำให้กายเป็นความทุกข์ตอไปได้จะเกิดเป็นความทุกข์ได้ า็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรเวลามีเศษก็เกิดความสุขได้เวลาไม่มีเศษก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาได้เศษได้สัมผัสกั บ, กบรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ น, นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการไป ไปวัดวัดแบบนี้อย่าไปกันเราต้องการไปวัดที่ทําให้กายกายวิเวกทําให้กายสงบ ก, ก่อนกายสงบ ก, ก็คือไม่ต้องทําอะไระไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องกินไม่ต้องเดิมอะไระเรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วมันก็จะทําให้จิตวิเวกจิตก็จะสงบได้ง่าย อังเกตดูเวลาเราไปอยู่ที่สถานที่สงบใจเราจะเย็นจะสบายกว่าเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่ที่มีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเนี่ยเรียกว่าสับปะยะต้องหาสถานที่ที่สับปะยะต้องเป็นสถานที่ที่กายวิเวกเป็นสายวิเวกก็คือสงบสงดัดวางเวงเช่นตามวัดป่าต่างๆตามวัดป่าวัดเขานี่ ทันจะไม่มีเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเข้ามามนักท่องเที่ยวท่านก็ไม่ไม่ส่งเสริมให้มาท่องเที่ยวที่วัด<ม>ไม่สร้างถาวลวัตถุเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาวัดเ<ม>พราะวัดไม่ได้เป็นที่ท่องเที่ยววัดเป็นที่ศึกษาเป็นที่ปฏิบัติธรรมคิดดูถ้าเกิด มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีชื่อเสียงทำแบบวัดเนี่ยคือจัดงานวัดจัดกิจกรรมต่างๆดึงดูดให้คนก็ไปเที่ยวในสถานที่ศึกษาแล้วจะมีการศึกษาได้เลยนักศึกษาก็ต้องมาวุ่นวายกับการคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวต้องไปวุ่นวายกับการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัย มหาวิายทยาลัยแทนที่จะเป็นสถานที่ให้ความรู้ความศึกษาก็กลายเป็นสถานที่ที่มาทำกิจกรรมท่องเที่ยวกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะมาเรียนเพราะการไปเรียนมหาวิทยาลัยก็เพื่อที่จะได้รับปริญญาได้รับความรู้เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ที่ได้เรียนได้ศึกษานี้ไปทำมาหากินต่อไปนั่นเองอ วัดจริงต้องเป็นวัดที่เป็นวัดที่ส่งเสริมการปฏิบัติส่งเสริมสัต p a i r ส่งเสริมสถานที่ให้เป็นสั p a i r ะถ้ะาญาติโยมเคยไปไปทําบุญตามวัดป่าต่างๆญาติโยมจะเห็นความตากตกแตกต่างของวัดป่ากับของวัดบ้านวัดบ้านนี้จะมีอะไรเต็ไมไปหมด ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างก็ดีไม่ว่าจะเป็นคนเข้าออกพลุกพ้่านก็นดีไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหมาหรืออะไรต่างๆเต็มไปหมดมแล้วก็วุ่นวายกันไปหมดกับบุคคลกับสัตว์ที่เข้าไปในวัดกับกิจกรรมต่างๆที่ทำกันในในวันหาความสงบไม่ได้เลยหาความวิเวกไม่ได้เลยแต่ถ้าไปวัดป่าแล้วนี่จะไม่มีอะไรเงียบ ก็ไปในวัดป่าแล้วก็มีเวลาให้เข้าด้วยให้ไปเข้าได้เฉพาะช่วงเช้าช่วงที่จะไปทำบุญใส่บาตไปฟังเทศฟังธรรมวัดก็จะเปิดให้ศรัทธาญาติโยมเข้าไปศรัทธาญาติโยมที่เข้าไปวัก็จะรู้จักการสํารวมกายวาจาใจเข้าไปแล้วเหมือนจะต้องไม่ว่าจะเดินก็ดีจะทำอะไรก็ดีนี้จะทำด้วยความสงบเงียบ ไม่ส่งเสียงไม่ให้เกิดส่งเสียงกระทึบกระโคมขึ้นมามนี่เขาเรียกว่าเป็นการเค้าลบสถานที่<ม>เวลาเราเข้าไปสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเค้าลบนี่เรามักจะเข้าไปด้วยกายวาจจใจที่ที่สงบสำรว ม, ม, มเดินก็เดินอย่างสำรวมไ ม, ม่ให้แม้กระทั่งเสียงเดินก็จะไม่ให้มี คุยกันก็ไม่คุยกันถ้าไม่จําเป็นให้ลองคุยกันทําอะไรก็ทําอย่างเงียบไม่ให้มีเสียงดังภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นจานเป็นชามเป็นอะไรก็จะไม่ให้กระทบกันให้เกิดเสียงดังขึ้นมา <c oughs> นี่คือลักษณะของผู้ที่รู้จักความเคารพในสถานที่รู้ว่าสถานที่ที่เป็นวัดนี้ เป็นสถานที่สงบสถานที่เพื่อปฏิบัติธรร ม, มเพื่อพังเทศฟังธรรมก็มจะ <c oughs> สำรวมกายวาจาใจ<ม>สำรวมอินทรีย์มไม่เอาโทรศัพท์มือถือมูถือก็ไปเปิด<ม>ไปฟังไปเล่นกันในวัดเก็บ<ม>ไว้ในกระเป๋าเผื่อเวลาฉุกเฉินมีเหตุจำเป็นมีใครต้องติดต่อแบบ ประธานหันเท่านั้นหรือบางทีก็ปิดไปเลยถือว่าช่วงนั้นไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครต้องการที่จะมาเจริญความสงบความสุขทางใจในะวัดป่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วหลังจากเสร็จกิจกรรมถวายของเสร็จแล้วร่วงกันรับประทานอาหารเสร็จแล้วถ้ามีการเทศก็ ฟ, กฟังเทศกันเสร็จแล้วก็ลากลับกัน ไม่อยู่ไปเดินเที่ยวตามกุฏิของพระกุฏิของพระอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เขาไม่ให้ไปนะเขตของสงฆ์นี้เขาไม่ให้เข้าเขาอยู่แต่เขตข อ, ข, อของของของคารวะคือของที่มาทำกิจกรรมคือบริเวณรอบศาลาเท่านั้นเองเมื่อทำบุญเสร็จแล้วก็กลับไปสำหรับผู้ที่มามีเจตนาที่จะมาทำบุญทาทาน ก็กลับบ้านแต่พวกที่อยากจะอยู่ต่ออยากจะอยู่ปฏิบัติธรรมถือศีลแปก็ต้องติดต่อจองที่พักไว้ก่อนว่ามีไหมเพราะวัดจะรับจำนวนจำกัดเพราะว่าถ้ามากเกินไปก็จะทำให้สถานที่ไม่สงบไม่สงดไม่วิเวกได้ mm hmm. วันนี้จะจัดสถานที่ที่จะให้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน มองว่านี่ไม่ไม่ให้มองเห็นกันเลยที่พักของแต่ละคนอยว่อยู่กันไกลๆเพื่อที่จะได้ไม่มาคลุกคลีกันเพราะการคลุกคลีกันนี้ก็เป็นการสร้างความวุ่นวายให้กับใจเพราะเมื่อมีการคลุกคลีกันก็ต้องมีการคุยกันมีการคุยกันแล้วก็อาจจะมีการทํากิจกรรมบางอย่างเช่น ดื่มน้ำชากาแฟอะไรกันไปก็จะทำให้ไม่ไม่ไม่ให้ไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะอยู่วัาตลอดกัหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ต้องอาจจะต้องขออนุญาตจากจากพระก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาท่านก็จะจัดสถานที่ที่พกักให้แล้วก็ให้ไปอยู่ไปอยู่ตามลำพัง วัดป่ามักจะไม่มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันวัดป่านี้เป็นวัดที่ผู้ปฏิบัติธรรมนี้ต้องรู้ว่าตนเองต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะเรียนรู้ก็ช่วงที่ฟังเทศฟังธรรมเท่า น, นั้นเองแต่ต้องรู้วิธีการปฏิบัติพื้นฐานคือการเจริญสติคือการอยู่ตามลําพังไม่ส่งใจออกไป หาลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆดึงใจให้อยู่กับคำบิกรรมพุทโธพุทโธเรียกว่ากรรมฐานพุทโธนี่เป็นกรรมฐานเป็นที่ผูกใจไว้ให้ใจไม่ลอยไปลอยมาให้ใจมีสติรู้อยู่กับกรรมฐานเพราะการปฏิบัติจิตเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อดับความทุกข์ใจ เพื่อความสร้างความสุขให้กับใจนี้ต้องปฏิบัติกรรมฐานต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าไม่มีกรรมฐานใจก็จะลอยไปลอยมาพอลืมตาขึ้นมาถ้าเป็นนัน่งปฏิบัตินี้ต้องเริ่มกรรมฐานตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าใช้กรรมฐานที่เป็น ที่เรียกว่าพุทธานุสติคือรำลึกถึงพระพุทธเจ้า <_ letter> จะรำลึกด้วยวิธีพิสดารหรือแบบย่อก็ได้วิธีพิสดานก็ให้รเลึกถึงบทสวดพุทธคุณเช <_ letter> ่นอิติปิโสภะกวาอารหังาฮาฮาฮาฮาสัมมามสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกโตโลกาวิทูสวดไปหลายๆรารอบทั้งวันทั้ง ตลอดระยะเวลาถ้ามันยาวมันไม่สะดวกก็เอาแบบยอ่อพุโทโธพุโทโธไปให้ใจมีอะไรผูกไว้ยึดไว้เพื่อจะได้ไม่ไหลไปกับความคิดต่างๆถ้าเราสวดบทอินทิีิโสเราจะไปคิดถึงคนน้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ยากและถ้าเราสวดจนมีสติที่ มีกำลังมากสามารถอยู่กับการสวดได้อย่างเดียวความคิดต่างๆนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าสวด น, นี้มันไม่สะดวกก็เอาเอาแบบย่อเราลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยก่อนที่จะลุกขึ้นมาก็พุทโธไว้ก่อนนะแล้วพอลุกขึ้นมาเพื่อที่ที่จะไปทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำแบบน้ำแบบถ้าล้างหน้าแปลงฟันก<ม>็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมไม่ถือว่ามันเป็นการไม่เข้ารบพระพุทธเจ้า<ม>อันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นการบูชาไม่ใช่เป็นการเข้ารบหรือไม่เขา้ารบการใช้กรรมฐาน<ม>คือพุทธานุสติเป็นเครื่องกากับใจเป็นเครื่องผูกใจนี้ต้องผูกไว้ทุกแ่งทุกคนที่ร่างกายไป ไม่ใช่ว่าพอเข้าห้องน้ำต้องหยุดพุโทโธแล้วเพราะว่าถ้าพุทถ้าถ้าพุทโธแสดงว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นอย่างนั้นมไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพถือว่าเป็นการเคารพที่เราเนรคถึงพระพุทธเจ้าทุกขณะทุกเวลาทุกแห่งทุกคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทำอะไระถ้าเราเนรคอกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อย ๆ, น, อยๆนี่เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูชา บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเราจะได้เจริญกรรมฐานเจริญสติเราต้องมีสติสร้างสติขึ้นมาเพื่อมากํากับควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาการที่จะทําให้เรามีสติขึ้นมาได้ก็ต้องมีกรรมฐานเป็นผู้ฝึกเป็นผู้ฝึกสติอีกที กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราจะต้องมีกำกับใจอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่กับกรรมฐานเราก็จะมีสติถ้าเผลอสติเราก็จะไม่อยู่กับกรรมฐานเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั่นคนนี้ถ้าไปคิดอย่างนี้เวลาที่จะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบนั่งไม่ได้ ผลที่จะจากการปฏิบัติคือการดับของความทุกข์การเกิดขึ้นของความสุขนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาจาเป็นที่จะต้องเจริญสติก่อนเจริญกรรมฐานก่อนถ้าเราใช้กรรมฐานพุทธานุสติก็ให้ระเลิกถึงพุทโธพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราเข้าวัดไปเลยก็ได้ พอเริ่มเข้าไว้ก็ถือว่าเราขึ้นเวทีแล้วพอขึ้นเข้าวัดนี่ปั๊บต้องถือว่าเรากาลังขึ้นเวทีต่อสู้กับสติ ก, ก, กับการมีสติหรือกับการเผลอสตินะถ้าเราไม่ตั้งสติเดี๋ยวเราเผลอนี่ล้วก็ถูกเขานอกเอาละถูกเขาต่อยเอาละคู่ต่อสู้ต่อยเราต้องมีสติตลอดเวลานับตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเข้าไปในวัดเนี่ เราต้องมีพุทธโธแล้วถ้าเราใช้พุทธานุสติเป็นเครื่องกำกับใจไม่ใช่รอไปนู่นรอไปอยู่ที่กุติรอไปให้ทําภารกิจอะไรต่างๆให้เสร็จแล้วแล้วค่อยมาพุทธโธตอนนั้นก็ถูกเข้านอกไปแล้วถูกกิเลสคุอความหลงความเผลอเลยนี่ดึงไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีไม่ดีใจอาจจะฝ่อถ้าไปคิดมากๆอาจจะเปลี่ยนใจตั้งใจจะมาอยู่วัด พอถึงเวลาจริงๆเห็นคนอื่นเขากลับกันก็อยากจะกลับไปกับเขาก็มีอันนี้แสดงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ชกเลยไม่ต่อยเลยไม่ป้องกันตัวเองเลยไม่มีพุโทโธเลยฉะนั้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงจังนี่ต้องพุโทโธตั้งแต่ออกจากบ้านเลยก็ได้พอเราออกจากบ้านนี้เราว่าวันนี้เราจะขึ้นเวทีแล้วนะเราจะขึ้นเวทีไปต่อสู้กับกิเลศ ตันหาโมหะอวิชชาแล้วเราต้องไม่เผล่นะเราเผลอสติเมื่อไหร่แสดงว่าเราถูกกิเลตต่อยแล้วนะถ้าถูกกิเลตต่อยบ่อยๆเดี๋ยวใจก็บอบช้ำก็จะทนไม่ไหวก็จะต้องกลับมาอยู่กลับมาอยู่บ้านแทนเห็นพยายามฝึกสติตั้งแต่ออกออกจากบ้านมาเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาถ้าเช่นวันนี้เป็นวันพระ ถ้าเรายังไม่ได้อยู่วัดนี่เราอยู่บ้านกำลังจะเดินทางไปวัดนี่เราก็ต้องถือว่าเราเราต้องเริ่มวันพักของเราด้วยการจเจริญสติไว้เลยตั้งสติไว้ใช้กรรมฐานเป็นเครื่องผูกใจไม่ให้ลอยไม่ให้ไหลไปตามความคิดต่างๆถ้าใจมีมีกรรมฐานเป็นที่ตั้งสติที่ราลึกรู้อยู่เรื่อยๆการที่จะ ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะยากขึ้นแล้วก็ความคิดก็จะเบาลงน้อยลงต่อไปก็แทบจะไม่มีมีก็รู้ทันพอรู้ว่าคิดก็ดึงกลับมาที่พุทโธได้ทันทีอัน mm hmm. นี้เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบได้นี่ต้องอาศัยเบื้องต้นต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดวิเวก mm hmm. ที่เรียกว่าสับปะยะ mm hmm. เมื่อมีสถานที่ที่สงบสงัดแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยสติเลย mm hmm. ต้องเจริญสติอย่างใดอย่างหนึง่งพุทธานุสติพุทธานุสตินี้จะเป็นธรรมะที่เป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างที่จ ะ, ะสะดวกกับทุกทุกเวลา mm hmm. เพราะสามารถพุทโธได้ไม่ว่าจะทำอะไรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็พุทโธได้ จาบน้ำนั่งหน้าแปลงฟันก็พุทโธได้จะแต่งเนื้อแต่งต ha ัวก็พุทโธได้จะจะรประทานอาหารก็พุทโธได้จะกวาดทาความสสถานที่ก็พุทโธได้ทำอะไรแล้วสามารถใช้พุทโธได้พุทโธนี้จึงเป็นถือว่าเป็นยอดนิยมของกรรมฐานก็ว่าได้แล้วก็เป็นกรรมฐานที่ง่ายด้วยไม่ไม่ยุ่งยากยากเย็น เพียงแต่เราเลือกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจเท่านั้นเองไม่ต้องออกเสียงพยายางให้พุโทโธอยู่ในใจอยู่กับพุโทโธไปในขณะที่เราทำกิจต่างๆที่จะเป็นที่จะต้องทำแล้วพอเราเสร็จกิจไม่มีอะไรจะทำเราก็นั่งต่อนั่งหลับตานั่งในในท่าไหนก็ได้นั่งขัดสมาธิได้ก็นั่งขัดสมาธินั่งพระเพียบได้ก็นั่งพระเพียบ นั่งพระเพียบไม่ได้นั่งขัดสมาธิ ย, ยังไม่ได้นั่งบนโต๊ะบนนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนขอบเตียงก็ได้นั่งที่ไหนก็ได้นั่งให้ตัวตรงเพราะถ้าตัวไม่ตรงนี้มันจะทาให้เผลอง่ายทำให้หลับได้ให้ yeah. Yeah. นั่งไปพอไม่ต้องมีอะไรต้องทำแล้วก็พุโทโธต่อไม่ต้องดูลมหายใจถ้าเราใช้พุโทโธเอาพุโทโธอย่างเดียวนมไม่เกี่ยว ลมนี่เป็นเป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึง่งถ้าเราจะใช้ลมเราก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้เช่นพอถึงเวลาที่จะนั่งสมาธิเราใช้พุทโธมาตลอดเวลาในช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิพอเรามานั่งสมาธิเราอยากจะเปลี่ยนไปการดูลมก็ได้ดูที่ปลายจมูกหรือดูที่กลางหน้าอกมีสองที่สำหรับการดูลม ถ้าดูที่กลางหน้า อ, อกเขาก็เรียกว่ายุบหนอพองหนอเวลาลมเข้าหน้า อ, อกก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกหน้า อ, อกก็จะยุบลงไปเขาก็จะมีคำบริกรรมกํากับยุบหนอพองหนอไม่ต้องมีคำบริกรรมก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้รู้ว่าพองรู้ว่ายุบหรือถ้าไม่ต้องการที่จะดูที่ หน้าอกก็มาดูที่ปลายจมูกก็ได้ปลายจมูกเป็นจุดที่ลมจะเข้าออกมันจะสัมผัส<ม>เราจะรู้สึกว่ามีลมสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกหรือเหนื อ, รอบริเวณริมฝีปากขึ้นมาจุดนั้นเราจะสัมผัสได้กับการเข้าออกของลมก็เฝ้าดูอยู่ตรงจุดนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องบังคับให้ลมหายใจลึกๆหายใจยาวๆ ลมจะหายใจยาวหรือหายใจสั้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็ให้รู้ไปเฉยๆให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องทําอะไรลมจะหายไปก็รู้ว่าหายไปลมหายไปแล้วทํางไงก็รู้ต่อไปรู้อยู่ที่จุดเดิมรยู่ที่ปลายจมูกรู้อยู่ที่เหนือบริเวณสีปากขึ้นมาว่าตอนนี้ไม่มีลมให้สัมผัสรับรูก้ก็รู้ไปอย่างนั้น ถ้ารู้อย่างนี้โดยที่ไม่ไปคิดปรุงแต่งไม่มีเกิดความวิตกกลางวันหวาดกลัวขึ้นมาว่าเอ๊ไม่มีลมแล้วเดี๋ยวเราจะตายหรือไม่ถ้าเริ่มคิดอย่างนี้แล้วใจก็จะไม่จะไม่สงบต้องไม่คิดอะไรเลยนิ่งโดยเฉพาะถึงเมื่อถึงจุดที่ไม่มีลมให้รู้เฉยๆว่าลมลมมันละเอียดแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วถ้าเราไม่คิดอะไรให้รู้เฉยๆเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบทันที อาจจะรู้สึกลดพูบลงมาหน่อยรู้สึกลมหายไปเหมือนเหมือนกับการขาดลมหายใจเหมือนกับการหายใจครั้งสุดท้ายอย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้ตายเป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นการปล่อยปล่อยปล่อยลมของใจใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวใจจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฐานของใจเข้าสู่ความสงบ ก็ต้องมีการปล่อยวางร่างกายปล่อยวางลมการปล่อยวางลมก็อาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าหายใจเพลือกสุดท้ายแต่มันเป็นความรู้สึกที่สบายพอไม่หายใจรู้สึกว่าปล่อยลมหายใจได้แล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะมีความสุขใจเข้าถึงฐานของของใจคือความสงบเข้าถึงความสุขที่เหนือก ว, กว่าความสุขทั้งปวง คือความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแนละ้วพยายามประคับประคองไม่ให้ใจออกจากจุดนั้นไปด้วยการคิดปรุงแต่งต่างๆอย่าปล่อยใจให้คิดอย่าให้ไปคิดถึงว่าเวลาเท่าไหร่แล้วถึงเวลาจะต้องออกหรืออย่างอย่าไปคิดให้ลืมมันไปหมดอย่าไปที่จะให้อยู่กับความสงบนั้นไปนานๆ ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นแล้วมันมักจะไม่อยากจะออกเพราะมันเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนเป็นความสุขที่เลิศเป็นความสุขที่วิเศษยิ่งกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวง<ม>แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องวิปัสสนาเรื่องพิจารณาปัญญง n ปัญญาอะไร<ม>อันนั้นเป็นคนละเรื่องกันคนละเวลากันตอนนี้เรามาฝึกสมาธิก่อนจิตให้นิ่งให้สงบให้มีพลังก่อนให้มีอุเบกขาก่อน เวลจิตสงบนี้จิตจะมีอุเบกขาจิตจะวางเฉยได้ปล่อยวางได้ทุกอย่างร่างกายจะเป็นยาตายก็ปล่อยวางได้เททนาจะเจ็บไม่เจ็บก็ปล่อยวางได้ไม่เดือดร้อนรูปเสียงกินลดถ้ายังได้ยินอยู่ได้สัมผัสอยู่ก็จะเฉยเฉยกับมันไปจะไม่มีความรู้สึกรักชังกลัวหลงกับอะไรทั้งสิ้นอันนี้หล่ะเราต้องการสร้างอุเบกขาในใจนี้ ให้มีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆการที่จะให้มีโอเบคขามากขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องให้จิตนิ่งสงบไปเรื่อยๆอย่าไปดึงจิตออกมาในขณะที่จิตเข้าสู่ความสงบอย่าไปคิดถึงเรื่องการพิจารณาธรรมต่างๆอันนั้นยังเป็น อ, อีกขั้นตอนหนึ่งคนละขั้นตอนกันขั้นตอนนี้เหมือนเป็นขั้นตอนที่เรากําลังกินข้าวกําลังพักผ่อนหลับนอน เวลาเราอยู่บ้านเรากินข้าวพักผ่อนหลับนอนนี่เราไม่ไปคิดถึงงานที่เราจะต้องไปทำเรื่องงานนี้ปล่อยไว้ก่อนตอนนี้ร่างกายเราเหนื่อยต้องการพักผ่อนร่างกายเราหิวต้องการอาหารให้อาหารกับร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนก่อนพอได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่แล้วติินขึ้นมา สดชื่นเดิกบานมีกำลังวางชาก็อาบน้ำนับท่าแต่เงเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกไปทำงานางเวลาไปทำงานนี่แล้วเรียกว่าไปทำวิปัสสนาไปพิจารณาทางปัญญาต้องทำหลังจากที่เราได้พักผ่อนจิตใจของเราก่อนในสมาธิไม่ใช่พอจิตสงบปับ๊บก็ปลุกมันขึ้นมาเลยเหมือนเวลาร่างกายพอพอเข้านอนปับ๊บพอหลับปับ๊บปลุกมันตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลย ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนแค่สิบนาทีอย่างนี้พอหลับแล้วก็เส้นนาฬิกาก็ปลุกขึ้นมาสิบนาทีมันก็จะงัวงเงียมันก็จะไม่มีกําลังที่อยากจะลุกขึ้นมามเพราะว่ามันยังพักผ่อนไม่พอไม่ต้องไปตั้งนาฬิกาปลุกปล่อยให้มันตื่นขึ้นมาเมื่อมันนอนพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาเอง<ม>นี่คือเรื่องของสมาธินี่ก็เป็นเหมือนเรื่องของการพักผ่อนหลับนอน กินข้าวของร่างกายร่างกายทํางานมามันก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันก็หิวไปทํางานตอนตอนเย็นก็ต้องกลับบ้านทําไมไม่อยู่ที่ทํางานทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะเมื่อทํางานมันได้รายายได้ดีมีเงนินมีทองก็ไม่ต้องกลับบ้านอยู่ที่ทํางานไปเลยทํามันตลอด24ชั่วโมงทํางานตลอด7วัน7คืนเลยดูที่ร่างกายมันจะทําทได้หรือเปล่า ร่างกายมันทำไม่ได้หรอกงานมันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนหลับนอนมีเวลากินอาหารอาบน้ำอาบท่าเพื่อให้เกิดความสบายขึ้นมาทางร่างกายก่อนเราถึงมีกำลังวังชาที่จะไปทำงานต่อทันใดใจก็เหมือนกับร่างกายเหมือนกันการการฝึกสมาธินี้ก็เป็นการฝึกพักผ่อนหลับนอนของใจเพื่อสร้างพลังให้กับใจ พลังของใจก็คืออะไรก็คืออุเบกขาใจนิ่งเฉยได้คนที่นิ่งเฉยนี่เขามีพลังด่าเขาเขาก็เฉยชมเขาเขาก็เฉยด่าอะไรมาล่อเขาเขาก็เฉยเอาเงินอาทอางมาล่อเขาก็เฉยก็ไม่ได้ยินดีกับเงินทองจะเขามวยเงินไปเขาก็ไม่เสียดายอะไรเอาไปได้ก็เอาไปเพาไม่เดือดร้อนเพราะเขามีความสุข ยิ่งกว่าความสุขที่เขาได้จากการมีเงินมีทองมีเท่ า, ม, ทามีของมีอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากการฝึกสมาธิก็คืออุเบกขาพลังนิ่งใจเราส่วนใหญ่ไม่นิ่งกันมีอะไรมากระทบหนึ่งไปแล้วเป็นบ้ากันแล้วใครพูดคำเดียวอนี้โอ๊ยโกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเพียงแต่คาพูดเพียงคาเดียวเท่านั้น คือลักษณะนี้คือลักษณะของใจที่ไม่มีโอเบคาไม่มีพลังไม่มีพลังนิ่งเมื่อไม่นิ่งมันก็จะทุกข์เท่านั้นแหละไม่ว่าจะจะโลภมันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งจะโกรธมันก็ทุกข์ไปอย่างหนึ่งจะหลงมันก็ทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งจะกลัวมันก็ทุกข์ไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันนิ่งไม่รักไม่ชังไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่กลัวนี่มันก็ไม่มีทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นเฉยๆได้ ร่างกายนี้ก็ไม่หลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใจจะมองอย่างนั้นถ้ามีอุเบกขานี่คือสิ่งที่เราต้องการเบื้องต้นก่อนก่อนที่เราจะไปขั้นปัญญาต่อไปได้เราต้องมีพลังไว้ก่อนต้องมีพลังของใจที่จะนิง่งที่จะหยุดความรักความชางังความกลัวความหลงต่อไปได้ พราะว่าเวลาที่เราออกจากสมาธิมานี้พอเราไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสกับลาบยศเธอเสริญกิเลส ท, ที่ยังไม่ได้ตายจากกําลังของสมาธิมันจะเด้งขึ้นมาทันทีเห็นลาบก็อยากจะได้โลภขึ้นมาทันทีเห็นอะไรที่น่ารักน่าชื่นชมก็อยากจะได้ขึ้นมาเห็นอะไรที่น่าเกลียดน่าชังก็โกรธขึ้นมาเกลียดขึ้นมาทันทีอันนี้เราต้องมาหยุด ตอนนี้เราหยุดความลักชังกลัวหลงได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาเราออกจากสมาธิมานี่กําลังของสมาธินี้มันไม่สามารถหยุดความลักชังกลัวหลงได้แต่มันต้องอาศัยปัญญามาสอนมาบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ควรไปลักไปชงังไปกลัวไปหลง <c oughs> เพราะสิ่งที่เราไปลักไปชงังไปกลัวไปหลงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ตอนนี้แหละถึงจะต้องมาใช้ปัญญากันเวลาอยู่ในสมาธิไม่ต้องใช้เวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความรักอยากได้ขึ้นมานี่ต้องสอนละ น, นี่กําลังรักเขานะรักเดี๋ยวก็ทุกข์นะรักอะไรก็อยากจะได้พอไม่ได้ก็จะเสียใจเป็นตน้นหรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสิ่งที่เรารักเขาเปลี่ยนไปอยากที่เขา ดีกับเราเขาเปลี่ยนเปนไม่ดีกับเราขึ้นมาความเศร้าใจก็จะตามมาความเสียใจก็จะตามมาเพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนของที่รักวันนี้พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นของที่เราเกลียดก็ได้เพราะเขาเปลี่ยนไปเขาเป็นอนิจจังเขาไม่แน่นอนเขาเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปควบคุมก็ไม่ได้ เวลาเป็นแฟนกันใหม่ๆนี่หวานจอยทั้งคู่ชีนกเป็นนกชี้ฟ้าเป็นฟ้าใครว่ายัางไงก็เอ อ, อ, อ, อหอมอกไปด้วยไม่ขัดไม่ขวางไม่เถียงไม่มีอะไรทั้งนั้นเอาเอกเอาใจกันเหลือเกินตอนที่อยากจะเป็นแฟนกันพอได้มาเป็นแฟนแล้วพอเบื่อแล้วทีนี้เอาล่ะสิพ อ, อชี้ฟ้าก็เป็นนกเปล้ชีนกก็เป็นฟ้าไปแล้วมีความเห็นต่างกันขึ้นมา พอมีความเห็นต่างกันขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่คิดแบบเดียวกันไม่เห็นแบบเดียวกันไม่ชอบอย่างเดียวกันทะะั้งนั้นอันนี้เปลี่ยนได้ของทุกอย่างที่เราไปรักไปหลงไปชอบเนี่ยวันนี้มันอาจจะทำทำให้เรารักเราชอบก็ได้แต่วันพรุ่งนี้มันอาจจะทำให้เราโกรธเรากเรากลียดก็ได้เพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจัง เคมีการเปลี่ยนแปลงกันไปเป็นธรรมดาตอนนี้แหละที่เราต้องมาฝึกใช้ปัญญาสอนใจกันขณะสมาธิไม่ต้องไปสอนขณะสมาธิเป็นที่การหยุดพักทำงานของใจให้ใจพักผ่อนหลับนอน ใ, ให้มีพลังมีอุเบกขาพอมาพิจารณาสิ่งที่รักแล้วบอกให้ตัดเสียอย่าไปรักก็จะตัดได้ถ้ามีอุเบกขา ถ้ามีสมาธิมาก่อนอุเบกฐานี่ยังยังอยู่ค้างค้างอยู่ในใจอยู่สามารถเรียกขึ้นมาใช้ได้เวลาปัญญาสอนว่าอย่าไปรักนะรักเขาเดี๋ยวอาจจะต้องเสียใจเพราะสิ่งที่เรารักเขาเปลี่ยนได้นะเขาเกิดเขาดับได้เขามาแล้วเขาไปได้ไปรักใครเขาเวลาเขาอยู่กับเราก็มีความสุขพอวันดีคืนดีเขาจากเราไปไม่ว่าจะจากด้วยสายเหตุอันใดก็ตามก็จะทําทให้เราเศร้าโศกเสียใจได้นะ อานนี้ต้องเป็นขั้นของปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ว่ามันจะเป็นสุขมากน้อยขนาดไหนมันก็เป็นสุขตอนตอน้นสุขตอนที่เราได้มาใหม่ๆเวลาเรารักอะไรเราชอบอะไรนี่พอได้มาเราเรยรู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินแต่พอสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปมันหายไปมันหมดไปนมันก็จะทาให้เราเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันที อันนี้ก็อันนี้แหละเป็นเชื่องวิปัสสนาลนะพอเอกจากสมาธิมาปั๊บนี่เริ่มทำเริ่มใช้วิปัสสนาได้เลยดูใจว่าเรากําลังไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงอะไรหรือเปล่า mm hmm. ถ้าไปกลัวเช่นกลัวจะเป็นมะเร็งนี้กลัวร่างกายจะเป็นโรคมะเร็งนี้ก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรา mm hmm. มันเป็นดินน้ํำลมไฟมันทํามาจากดินน้ํำลมไฟมันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเป็นโรคมะเร็งก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็ต้องเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้มันจะตายก็ต้องให้มันตายไปนี่นี่คือปัญญาสอนใจว่าให้ปล่อยวางถ้ามีอุเบกขาก็จะปล่อยวางได้ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนไม่เคยเข้าสมาธิไม่เคยรู้ว่าอุเบกขาเป็นอย่างไรก็จะปล่อยวางไม่เป็น พอมาเจอพอมาเจอความกลัวกลัวกลัวความตายกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทุกข์ที่เกิดจากความกลัวอยากจะให้ทุกข์นี้หายไปก็ไม่รู้จักว่าจะทําอย่างไรให้มันหายได้เพราะว่าถึงแม้จะมีปัญญาสอนว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันต้องเป็นมะเร็งไม่ช้าก็เร็วมันต้องตาย แต่มันทำใจไม่ได้ทำใจยอมรับความจริงอันนี้ไม่ได้เพราะใจไม่มีอุเบกขาไม่นิ่งนั่นเองการยอมรับหรือการทำใจนี้ก็คือการสัตว์แต่รู้ปล่อยให้ใจรับรู้ไปเฉยๆอย่าไปกลัวอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากนี้แหละที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคมะเร็งนี้ไม่ได้ทาให้ใจทุกข์ ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความไม่อยากเป็นโลคมะเร็งหรือถ้าเป็นก็อยากจะให้มันหายไอ้ตัวนี้แหละที่จะทำให้ใจทุกข์เพราะว่าเราไปสั่งร่างกายไม่ได้สั่งโลกไม่ได้ว่าโลกชั้นนี้นี้ ฉ, นฉนันไม่เอานะอย่ามาแตะอย่ามาเกี่ยวข้องกับฉนันนะอย่าเข้าใกล้นะเราห้ามไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของเหตุปัจจัยถ้าเรามีพฤติกรรมที่ทาให้เกิดโลกมะเร็งขึ้นมามันก็จะเกิด ถ้าเรารู้ว่าโรคมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมอะไรถ้าเราเลิกพฤติกรรมนั้นโรคมะเร็งก็จะไม่เกิดก็ได้เช่นโรคบางโรคเราก็รู้ว่าเกิดจากพฤติกรรมเช่นปอดเนี่ยปอดอักเสบปอดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เกิดจากการสูบบุหรี่ก็เลิกสูบบุหรี่อย่าไปสูบบุหรี่เสียก็จะไม่มีโรคปอดตามมาโรคไขมนหนุนตันก็เกิดจากการกินอาหารที่มีไขมันมากๆ ก็อย่าไปกินนวดอาหารที่เป็นไขมันเสียโรคโรคหลอดเลือดอุดตันมันก็จะไม่เกิดอามาเพิกรรมภาพมันก็จะไม่ตามมามันเกิดจากพฤติกรรมของเรามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งถ้าเรารู้เราก็อาจจะแก้ได้เราป้องกันได้แต่ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราก็ไม่รู้จะไปแก้อย่างไรเพราะไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้โรคนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไงถ้ามันเกิดก็จะก็ต้องยอมรับมันเท่านั้นทำใจเท่านั้นเอง เพือย่างน้อยให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันร่างกายทุกข์ก็ให้มันทุกข์เฉพาะที่ร่างกายเรื่องเรื่องของความทุกข์ของร่างกายเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันไม่เจ็บด้วยโรคนี้มันก็ไปเจ็บด้วยโรคอื่นอยู่ดีไม่มีพฤติกรรมมีพฤติกรรมดีขนาดไหนมันก็เจ็บเพราะสังขารมันเสื่อมได้เอาวิทยวศาตต่างๆใช้งานไปเรื่อยๆนานเข้านานเข้ามันก็หมดหมดสภาพได้รถมันก็เหมือนรยนต์ รถยนที่เราใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวเครื่องก็เสียแล้วเครื่องมันหมดสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนประกอบส่วนนั้นส่วนประกอบส่วนนี้มันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆอันนี้เด็กเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปกลัวกลัวไปกลัวมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาวิธีที่จะที่จะทําให้หายกลัวก็ต้องศึกษาธรรมชาติของร่างกายร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้มันไม่เสื่อมได้ไหมไม่ได้ มันต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดามันมันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงแต่คนรับใช้เรา่านั้นเองเราได้ร่างกายมาจากพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปทาอะไรต่างๆที่เราอยากจะทำแต่วันหนึ่งมันก็ถึงเวลาที่มันจะต้องเสื่อมลงไปที่มันจะต้องดับไปในที่สุด จะรักกันขนาดไหนจะหวงขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะยับยั้งมันได้จะรวยขนาดไหนต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความตายได้แต่สิ่งที่จะหยุดความทุกข์ใจได้ก็คือปัญญานี่ปัญญาที่ทําให้เราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราที่เราไปทุกข์กับร่างกายเพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราเท่านั้นเองอันนี้คือปัญญาสอนใจให้เห็นว่า ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนอย่าไปอยากให้ทุกสิ่งเป็นของเราเป็นของมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองให้รู้อย่างนี้แล้วก็ทำใจให้เฉยๆเป็นอุเบกขาไปถ้ามีแต่พัญญาไม่มีอุเบกขาก็ทำใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของเราทั้งท้งที่รู้ว่าไม่เที่ยงแต่ก็ยังทุกข์กับมันอยู่ เพราะอะไรเพราะยังอยากให้มันเที่ยงเพราะยังอยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปต่อไปนั่นเองแต่ถ้าเราไม่อเอาเบกขาแล้วเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราปล่อยให้มันเป็นไป <S 1> <S 1> <S พอเราปล่อยให้มันเป็นไปปั๊บใจเราก็ไม่ทุกข์เลยใจเราก็สบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางด้านจิตใจอทจิตใจจะรู้สึกเฉยๆได้ขณะเหมือนกับขณะตอนที่ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์กับมันถ้ามีปัญญามีโอเบขาต้องมีทั้งสองอย่างถึงจะสามารถทำใจได้มีโอเบขาแต่ก็อาจจะปล่อยวางไม่ได้วิธีปล่อยก็ต้องเข้าไปในสมาธิปล่อยแบบชั่วคราวแต่พอจากสมาธิมาพอพอมาเจอโครคภัยไข้เจ็บของร่างกายก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีโอเบขาไม่มีสมาธิ รู้ว่ามันเป็นไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากก็หยุดความอยากไม่ได้มันต้องมีทั้งสองอย่างมีปัญญารู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงรู้ว่าไม่ใช่เป็นของเรารู้ว่าที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเป็นของเราอยากให้มันเที่ยงอยากมันเป็นไปไม่ได้เราต้องปล่อยวางถ้าเรามีสมาธิเราก็วางเฉยได้ใช้อุเบกขาอยู่กับมันไปแบบเฉยๆอยู่ด้วยกันไปต่อไป เจ็บไข้ด้ป่วยก็อยู่กันไปเหมือนตอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เหมือนเดิมตอนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เฉยๆออกมาเจ็บไข้ได้ป่วยใจมีปัญญามีสมาธิก็เฉยๆกับมันไปได้อยู่กันมันไปได้จนเาราสุดท้ายของชีวิตร่างกายจะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ปล่อยให้มันหยุดหายใจไปก็เท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนมันถึงจะได้ผล ไม่ใช่ทามันแบบแบบตามใจชอบอยากจะทำอะไรก็ทำมันไปอยากจะทำที่ไหนก็ทำไปมันจะไม่ค่อยได้ผลอยากจะได้ผลมันต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเช่นวันพระนี่อย่างน้อยต้องมีวันพระอาทิตย์ละหนึ่งวันเพื่อให้เราจะได้มีเวลาได้ปฏิบัติอย่างเต็มเต็มรูปแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับ ก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สงบต้องหาสถานที่ที่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนเรียกว่าบุคคลสัปปายะอย่าไปอยู่กับสถานที่ที่ไม่มีครูบาอาจารย์ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าไปอยู่กับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงสอนไปเด็กก็สอนผิดผิดถูกๆอีกอันนี้ก็เรียกว่าบุคคลไม่สัปปายะบุคคลสัปปายะก็คือบุคคลที่สามารถสอนเราได้ อาการยานี่การยานะมิตรเป็นคนที่จะคอยดึงเราดึงเราให้ไปในทิศทางของธรรมะแทเรีกว่าบุคคลที่เป็นสัพพายาอย่างในมงคลลสูตรพระเจ้าก็บอกให้เลือกคบบัณฑิตอย่าไปคบคนโง่คนพาลอาเสวานาจะพาลานาบัณฑิตานั่นจะเสวนาวันพระนี่เรามาวัดกันเพื่อเราเข้าหาบัณฑิตกันเพราะบัณฑิตจะอยู่ที่วัดกัน คนโง่จะอยู่ที่ไหนคนโง่ก็อยู่ตามบาตามผับเนี่ยตามบ่อนเนี่ยเราไปหาดูเนี่ยตรงนั้นเป็นพวกโง่ทั้งนั้นอะ่ะตอนนี้หลวงเข้าไปอยู่ในสภาด้วยไอย้นี้จะไปออกกฎหมายให้ตั้งบบอนคาสิโนโได้นี่แนหะพวกนี้เป็นพวกคนโง่มั้นไม่รู้ว่ามันเป็นกําลังเล่นกับเล่นกับไฟเล่นกับสิ่งที่จะมาทําลายจิตใจให้มีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายมากขึ้น พอไปหลงกับการหาเงินหาทองเท่านั้นเองหาเงินมีรายได้เพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจะได้มีงบประมาณมามาแจกมาจ่ายคนให้มากขึ้นอาจจะสบายทางร่างกายแต่ทางจิตใจมันจะทุกข์มันจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะคนจะชั่วจะเลวลงไปเล่นการพ น, นันท่องเงินหมดมึงเงินไม่พอใช้ก็จะไปป้นไปที่คนอื่นมาเล่นต่อก็ได้มันไม่คิดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจที่มีความเสียหายร้ายแรงกว่า ผลกระทบทางร่างกายร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอย่างไรมันก็ยังไม่มาสร้างความวุ่นวายให้กับใจเหมือนกับที่มีคนไม่ดีอยู่ในสังคมคนไ่อยู่คนไม่ดีในสังคมนี้จะทำให้การจะอยู่ไหนจะไปไหนมาไหนนี่ลำบากเพราะต้องแวแะแล้วแววาดระแวงภัยต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่คิดถึงผลกระทบทางด้านจิตใจกันดูมองแต่เรื่องของเงิน เงินทองรายรับเท่านั้นเองที่หลักลักษณะของคนโง่มองแต่เงินมองแต่โลกธรรมลาบยศสารเสริญสุขไม่มองถึงสภาพจิตใจว่าจะทุกข์จะวุ่นไวายไปมากน้อยเท่าไหร่จะตกต่ำอย่างไรไม่มองไม่เห็นกันเพราะคนโง่มองไม่เห็นนั่งเรื่องของจิตใจจะเห็นแต่เรื่องของทางน่างกายเท่านั้นงนั้นต้องไปหาคนฉลาดบุคคลสปายะก็คือไปอยู่กับคนฉลาด คนจะลาจะได้ถอนให้เราละละบาปทําบุญทำน้าจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าทําบาปอย่าเสบบา ย, ยามุกอยากจะมีความสุขก็ทําบุญอย่าเอาเงินไปเล่นการพ น, นันอย่าไปเที่ยวซ่องเที่ยวบาร์อันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อหาความสุขไปหาความทุกข์เพราะมันจะเป็นยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดพอพอไม่ได้เสพแล้วมันจะทุกข์ อยากการทาบุญนี้ทาเท่าไหร่ไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นยาเสพติดทำแล้วจะทำให้มีแต่ความสุขใจเวลาไม่ได้ทำบุญก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนมีความสุขต่อไปได้คิดถึงบุญเก่าที่เคยทำมาก็ทำให้เกิดความสุขได้แล้วถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปก็ชำระจิตใจด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาปฏิบัติธรรมในวันพระนี่ มาปฏิบัติสติมานั่งสมาธิแล้วหลังจากที่ได้สมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็มาเจริญปัญญาต่ออันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะทำกันในวันพระขอให้พวกเราทุกคนมีวันพระถ้าเราทางานต้องทำงานในวันพระเช่นวันนี้ขอให้เราเปลี่ยนวันพระของเราเป็นวันหยุดทำงานของเราถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์ก็เอาวันเสาร์มาเป็นวันพระถ้าเราหยุดทางานในวันอาทิตย์ก็ให้เราหยุด เราก็เอาวันวันอาทิตย์วันหยุดงานนี้มาปฏิบัติธรรมทาเป็นเหมือนวันพระได้เหมือนกันไปอยู่วัดได้เหมือนกันไปหาที่สงบปฏิบัติธรรมที่วัดไม่มีการแสดงธรรมล้วก็อ่านหนังสือธรรมะไปฟังเทศฟังธรรมไปที่เราได้ที่มีบันทึกไว้ก็ได้หรือมีที่ที่มีอยู่ในมือถือก็ได้ใช้ได้เหมือนกันธรรมะเก่าใหม่นี้ก็เป็นธรรมันเดียวกันเป็นอากาลิโกธรรมเก่าธรรมใหม่ก็เป็นเรื่องเดียวกัน สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันนี้ก็คือความสำคัญของวันพระขอให้พวกเราชาวพุทธอย่าอย่าลืมอย่าทิ้งวันพระไปถ้าทิ้งวันพระก็เท่ากับทิ้งเครื่องมือทิ้งยาที่จะมารักษาโรคใจของเราให้หายเรายัางต้องกินยากันอยู่และการจะกินยาเราต้องมีวันพระเป็นเวลาที่เราจะมาเอายาเข้ามาสู่จิตใจของพวกเรา เห็นอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งขอให้มีวันพระตั้งหนึ่งวันให้มีวันที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันแล้วชีวิตเราจะไม่ขาดทุนแล้วเราจะไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาเพราะว่าพุทธศาสนาแต่จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากของพุทธศาสนาเลยแต่ถ้าเรามีวันพระนี่รับประกันได้ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเ น, นื่องทุกวันพระเนี่ยธรรมะมันจะเข้าไปในใจของเราไม่ช้าก็แลว้วไม่มากก็น้อย แล้วมันก็จะสร้างความสงบให้กับใจเราขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆสร้างความสุขให้มากขึ้นไปลดละความทุกข์ต่างๆให้น้อยลงไปตามลำดับต่อไปการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปะริกปุเรนติสักลง เอวเมวะยุโตทินังเปตังอุปกปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปเริตุสักปาจันโทปนาละโสยธา manually ละโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโลกวินาศตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีคายยโกภวะอภิวาธนศีลิศะนิจังวุธาป จ, จายโนจตารูธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบคำถามเพราะหลังจากเอกกันแล้วจะไม่สะดวกจะไม่ได้ถามไม่ได้ตอบเพราะว่าจะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำอีกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้เพียงช่วงเดียวและถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไห่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต393คน YouTube พระสุชาติไลฟ์344 YouTube Dr. V Channel 51วิทยุออนไลน์11 Clubhouse 7ผู้รับฟังธรรมะน่ากุฏิ120คนรวมทั้งหมด926ครับคำถามจากคุณจีรารัตน สืบเนื่องจากคําเทศของหลวงพ่อท่องพุโทโธในทุกขณะจิตโยมติดการท่องพุโทโธขณะก้าวเท้าขวาและก้าวเท้าซ้ายพร้อมบอกตนเองว่าใช้จิตต ภ, ภาวนาใช้เท้าในการก้าวเดินแบบนี้ถือว่าเป็นการประมาทไหมครับ เ, ออเป้าหมายของการกระทำพุโทโธเพิ่มไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดถ้ามันไม่ลอยก็ใช้ได้ ส่วนเท้านี่เราก็ต้องดูว่าเราไปเหยียบอะไรหรือเปล่าเหยียบของแหลมของคมหรือไปตกไปเหยีบหยบลุ่มเรียบบ่ออะไรเวลาเดินก็ต้องรู้ด้วยรือว่าเรากําลังเดินกํนาลังเดินไปที่ไหนตรงไหนแต่ใจเราก็ให้อยู่กับพุทโธเพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้ามันไม่ถ้ามันไม่คิดอะไรก็ถือว่าใช้ได้ คำถามต่อไปจากคุณปราธิภานั่งสมาธิมาปีกว่าแล้วแต่จิตยังไม่เคยรวมมีแต่อย่างมากก็นิ่งเฉยๆอย่างนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้จิตรวมครับเพราะไม่มีวันพระไงต้องปฏิบัติวันพระหนึ่งวันหนึ่งวันกับหนึ่งคืนฝึกสติให้มากที่นั่งสมาธิจิตไม่รวมว่าสติมีกำลังน้อยอถ้าเรามีวันพระปฏิบัติทาได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ย เบื้องต้นก็ปฏิบัติตัศติอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอื่นให้มีพุทโธพุทโธอยู่ในใจไม่ให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆความคิดต่างๆเวลามานั่งสมาธินี้จิตจะรวมได้ง่ายได้เร็วได้นานานั้นต้องฝึกสติให้มากทุกคนที่นั่งสมาธิแล้วนั่งยังไม่สงบเพราะสติมีกําลังน้อยเพราะไม่ให้เวลากับการเจริญสติต้องให้เวลากับการจะเจริญสติให้มากๆต้องทําในวันที่เราไม่ทํางาน เพราะวันที่เราทำงานเราต้องใช้ความคิดเราหยุดความคิดไม่ได้แต่ถ้าวันที่เราไม่ต้องทำงานนี้เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็มีให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปพอความคิดน้อยลงเบาลงสติมีอย่างต่อเนื่องนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีจิตก็รวมได้รับประการได้ลองปฏิบัติ ด, ดูหาให้มีวันพระปฏิบัติไปอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ยนี่สาเหตุทาไมพระเจ้าถึงต้อง บางบางคำให้มีวันพระขึ้นมางั้นก็ไม่ต้องมีวันพระเนี่ยอยา ก, ยกปฏิบัติที่ไหนเมื่อไหร่เวลาไหนก็ทําไปแต่มันจะทําแบบไม่ได้กรอบไม่ได้กรรมจารันสติไม่ได้ผลเมื่อไม่มีสติสมาที่นั่งไปจนวันตายก็ไม่สงบอยู่ดีคําถามต่อไปจากคุณนงลักษ์ <c oughs> ลูกมีความคิดไม่ดีผุดขึ้นมาทั้งทั้งที่ลูกไม่ได้ตั้งใจลูกจะเป็นบาปไหมครับขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ ยังไม่บาปหรอกมันอกุศลมันเป็นมันเป็นของเก่าค้างอยู่ในใจแล้วแก้ได้เวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็อย่าไปทําตามมันหรือว่าเวลามันโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมันด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธขึ้นมาหยุดมันก็ได้คําถามต่อไปจากคุณหนึ่งร้อยไทยจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้มีอินทรีย์และมีพลังจิต ท, ที่แก่กล้าครับก็มีเวลาปฏิบัติให้มากขึ้น เหมือนรันเวย์เนี่ย เ, เครื่องบินจะขึ้นที่รันเวย์สั้นๆขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกมันไม่มีกำลังส่งพอต้องรันเวย์ยาว ๆ, ๆวิ่งยาวพอวิ่งยาวๆความเร็วสูงขึ้นพลังส่งให้เครื่องบรรบินขึ้นมันก็จะมีมากขึ้นฉะนั้นการฝึกสติก็ต้องมีเวลาให้กับการฝึกสติให้มากขึ้นถ้าไม่ฝึกสติเลยมานั่งสมาธิไปจนวันตายก็ไม่ได้ผล ฉะนันต้องมีวันพระต้องฝึกอย่างน้อยหนึ่งวันกับหนึ่งคืนอาทิตย์นึงต้องมีการปฏิบัติหนึ่งคืนกับหนึ่งวันไม่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติแต่สติอย่างเดียวรักษาศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติสติไปไม่ต้องมีกังวลเรื่องปัญญาฝึกสตินั่งสมาธิสลับกันไปทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับรับประกันได้ภายในเดือนหนึ่งนี่เห็นผลเลยลองไม่ทําดูที่มันไม่ทํากันมันก็เลยไม่เกิดผลมันเวมันสั้นไปเข้าใจไหม ต้องไปต่อรานเวให้มันยาวหน่อยนี่มันรานเว์สั้นๆพอวิ่งขึ้นมาปั๊บจะจะเร่งเครื่องต่อไปอ่ะลานเวย์หมดนะต้องหยุดละขึ้นไปไม่ได้ละเพราะลานเวยาวๆวิ่งบ่า้มันเต็มที่เลยพอเต็มที่มันก็จะมีพลังยกเครื่องบินให้ขึ้นบินขึ้นสูงได้จิตเราก็เหมือนกันต้องมีรันเวย์ต้องมีสติที่ยาวที่ต่อเนื่องถ้าแต่สติสั้นๆนี้นั่งไปจนมันตายก็ไม่มีวันที่จะจะสงบได้ อาเชิญถามกลับนักศึกษาเจ้าค่ะอยากกลับเรียนถามว่ามีบุตรสาวอะค่ะเป็นเด็กพิการทางสมองไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็พูดไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนี่เราอยากจะทําบุญให้เขาเนี่ยค่ะจะทําแทนเขาได้อย่างไรบ้างคะก็พาเขาทาไปส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเขาเขามีสติพอที่จะรู้ว่ารือเปล่าว่าเขากำลังทําบุญหรือไม่ อ๋อแล้วทุกครั้งที่เราทําบุญเนี่ยเราจะบอกเขาอย่างเงี้ยคะ่ะให้ว่าว่าเราเอาเงินที่มาทําบุญให้เขาทําแบบไหนแบบไหนอย่างเงี้ยถูกไหมคะก็บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้แต่ต้องให้เขาทาร่วมด้วยเขาถึงจะได้ฝึกเป็นนิสัยขึ้นมาเขาจะได้รับรู้ว่าเขากำลังทําอะไรอยู่ถ้าเขานอนอยู่นอนติดเตีย ง, งแล้วทำอะไร<ข>ไม่ได้นี่ก็ใหญ่ายา ก, ก็อาจจะบอกเขาได้ว่าแม่ทําบุญให้นะลูกนะขอให้ลูกอนุโมทนาด้วยแบบทาได้ทางนั้น อ๋อค่ะได้ค่ะครับก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเ้าเนี่ยเนี่ยวิบากกรรมเป็นอย่างเนี้ฉะนั้นอย่าอย่าประมาทในเรื่องการทําบาปอย่าไปคิดว่าทาบาปแล้วไม่มีโทษไม่ติดคุกติดตารางเนี่ยมันชาตินี้มันไม่ติดคุกก็จริงชาติหน้ามันจะมาเป็นธรรมขึ้นกรรมภาชก็ได้ค่ะอย่าไปทําบาปเนี่ยค่ะเพราคุณเจ้าค่ะ คำถามต่อไปจากคุณนิพน์สติประฐานสี่กับพุทธโธต่างกันอย่างไรครับสติประฐานสี่เป็นหลักสูตรที่ให้สอนเรื่องการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาครบหลักสูตรคือ ส, สติประฐานสี่สอนทั้งสติสอนทั้งสมาธิสอนทั้งปัญญาพุทธโธนี้เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องฝึกสติกรรมฐานนี้เป็นเครื่องฝึกสติเวลาจะฝึกสติต้องมีกรรมฐานเป็นเป็นผู้ฝึกให้ เช่นพุโทโธนี้เป็นกรรมฐานจะมีสติได้ก็ต้องต้องระลึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่ลอยไปไหนใจก็จะตั้งอยู่ในปัจจุบันก็จะมีสติขึ้นมาคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามทางอินบ็อกซ์ครับช่วงนี้มีละครแบบหญิงรักหญิงเป็นกระแสดังมาก แต่ยังมีการตัดวิดีโอแบบล่อแหลมมาลงให้คนชื่นชมแบบไม่ต้องแอบบต้องซ่อนคนที่ดูติดตามกันแบบติดอย่างหนักถามว่าอย่างนี้เป็นการผิดธรรมหรือฉุดให้เราลงต่ำไหมครับทั้งๆ ท, ที่คนดูเป็นคนกลัวการทำผิดศีลอย่างมากพวกเขาบอกว่าสิ่งที่ทำผิดอะไรขอพระอ า, าจารย์เมตตาชี้แนะครับคือคนเราเนี่จะเป็นคนที่สมบูรณ์นี่ต้อง มีการประพฤติผิดไม่ไม่ประพฤติผิดตามประเพณีเรื่องเกี่ยวกับ ร, ร่วมเพศกันประเพณีของคนของแต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกันสังคมของพุทธเรานี้ถือว่าเราเป็นคนดีคนที่ไม่ส้ำซ้อนคนที่ไม่หมักมุ่นกับเรื่องการมากจนเกินไปก็ต้องมีสามีเดียวภรรยาเดียวแล้วก็จะไม่ร่วมเพศกับใครถ้ายัางไม่ได้เป็นสามีหรือภรรยากัน ถ้าไปร่วมเพศกับใครที่ยังไม่เป็นสามีภรรยาก็ไม่ต่างจากสุนัขหมามันไม่มีงานแต่งงานใช่ไหมหมามันไม่มีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมมันเจอใครที่ไหนอยากมันอยากเมื่อไหร่มันก็โดดขี่กันเมื่อนั้นเนี่ยสมัยนี้เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วเริ่มเปิดเผยอย่างโจ่งแจ้งแล้วว่าฉันอยากจะขี่เธอนะเธออยากจะขี่ฉันไหมทางมันตรงนั้นเลยทางมันการถนนเลยอันนี้เป็นสัญดาณของสัตว์เดราฉานไม่ใช่ของมนุษย์ ไม่ผิดตรงไหนหรอกก็อยากจะทาเป็นอยากจะเป็นสัตว์เดราาัจฉานก็ทำไปเท่านั้นเองไม่มีใครว่าอะไรแต่อย่ามาถือว่าตนเองเป็นผู้พิเศษเป็นผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์เพราะเราไม่เป็นเราไม่ดมีความสำนึกผิดถูกดีชั่วว่าเป็นอย่างไรคำถามต่อไปจากคุณโชว์คุณครูให้นักเรียนนำกบเป็นเป็นเพื่อทำการทดลองวิชาวิทยาศาสตร์ พ่อเป็นคนไปซื้อกบเป็นๆจากตลาดให้นักเรียนนำไปทดลองครับถึงเวลาทดลองคุณครูสั่งให้นักเรียนนกกบด้วยความเย็นแล้วผ่ากบเพื่อดูการเต้นของหัวใจทดลองเสร็จกบก็ตายขอถามพระอาจารย์ว่าบาปจะตกที่ใครคุณครูนักเรียนหรือคุณพ่อของนักเรียนครับทั้งสามคนเลยแหละร่ ว, วมกันคำถามต่อไปจากคุณอ้อ โยมไปเรียนทำสมาธิกับสถาบันพลังจิตของหลวงปู่วิริยังและพอเรียนมาโยมมานั่งสมาธิที่บ้านพอออกจากสมาธิแล้วก็เดินจงกรมมีสิ่งหนึ่งที่ลูกรู้สึกมันมีความสุขแบบสุขจากข้างในโยมมาถูกทางไหมครับถ้าสุขจากข้างในก็ถูกแล้วสุขได้เกิดจากความสงบคำถามต่อไปจากคุณปฏิวัติการบริกรรมพุทโธ ต้องกําหนดพุทธหายใจเข้าโุทหายใจออกไหมครับไม่ต้องไม่ได้พูดถึงหายใจเลยเราพูดแต่คำว่าพุทโทคําเดียว mm hmm. คุณจะไปเอาเอาหายใจมายุ่งทําไมไม่เกี่ยวกันพุทโทก็พุทธานุสติลมหายใจก็อานาปนาสตินี่จะเอาทั้งลมเอาทั้งพุทธโทเข้ามาชนกัน mm hmm. เวลาอยากจะพุทโทรเร็วก็พุทโทรเร็วไม่ได้เพราะลมมันช้า mm hmm. เพราะบางทีการบริกรรมช้าความคิดเป็นยังคิดได้อยู่ mm hmm. ก็ต้องบริกรรมให้มันเร็วขึ้น mm hmm. ถ้าไปผูกกับลมไว้มันก็เร็วขึ้นไม่ได้มันก็ช้าเพอนพุทโทพุทโทช่วงนั้นก็คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงที่เที่ยวที่นู่นที่นี่ไประหว่างพุทกับโทนั่นเหรอนั้นถ้ามันยังคิดอยู่ก็ต้องพุทโทให้มันเร็วขึ้นให้มันถี่ขึ้นความคิดมันจะได้แทรกเข้ามาไม่ได้เข้าใจไหมในเวลาจเจริญกรรมฐ า, านท่านถึงแยกออกไงธรรมานุพุทธานุสติหรืออานาปณะสติเอาอย่างใดอย่างหนึ่งซี ทำไมโลภมากเหลือเกินเอาอย่างเดียวก็พอพุทธานุสติก็พุทโธไปอย่างเดียวธามานุสอาอนาปนาสติก็ดูลมไปอย่างเดียวก็พอยิ่งโลภมากยิง่งยิ่งวุ่นวายยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องการลดความคิดการกา ร, การทํางานของจิตให้น้อยลงนี่เรากลับไปเพิ่มการทํางานของจิตให้มากขึ้นแล้วมันจะสงบได้อย่างไร คำถามต่อไปจากคุณอุไรวันการซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคถือว่าเป็นการเล่นการพนันไหมครับคือเล่นมากเล่นน้อยอ น, นี่เป็นบัญหาเล่นได้ถ้าเล่นแค่ ง, งวดละใบเดียวไม่เสียหายอะไรหรอกแต่ถ้าเล่นทีละร้อยใบสอง้อยใบสามร้อยใบนี่เราหมดเนื้อหมดตัวได้นี่อะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นเล่นการพนันเป็นอาชีพแต่ถ้าเล่นการพนันเพื่อเป็นการ อ่าเปิดช่องช่องบุญให้มันเข้ามาอย่างนก็ไม่เป็นไรเผ๋ยอมันบุญมันจะมาตอบสนองเราแต่มันไม่มีช่องเราก็ซื้อซื้ออาทิตย์ละใบก็พอะถ้าบุญมันจะมาหลัวันที่หนึ่งซื้อใบเดียวมันก็ถูกการเล่นแบบนี้ไม่เป็นการพ น, นันมันเป็นการเล่นเปิดช่องให้บุญเข้ามา <laughs> คำถามต่อไปจากคุณสริน ญ, ญา ชวนลูกสาวไปปฏิบัติธรรมแต่เขาไม่ยอมไปแล้วยังไปนับถือศาสนาอื่นอีกเขาทําไมเป็นเช่นนั้นเจ้าคะเถียงตลอดเลยคงจะต้องปล่อยไปตามใจที่เขาชอบใช่ไหมครับใช่ใช่ก่อนก็เป็นอย่างนี้ใช่ก่อนก็เคยนับถือนักที่อะไรของเขาเขาก็จะมารับนับถือนักที่อย่างนั้นต่อไ ป, ปพวกฝลั่งที่บางคนนับถือศาสนาอื่นก็มาม า, มานับถือศาสนาพุทธก็มีเยอะแยะไปก็ไม่ได้ไปชวนไปเชิญเขาเขาก็มาเอง พราะชาติก่อนเขาอาจจะเคยเป็นพุทธเมืก่อนก็ได้เพราะชาตินี้เขาไมาเจอพุทธเขาก็อยากจะมาเป็นพุทธต่อแต่บ้านเขาเป็นศาสนาอื่นแล้วก็เหมือนกันลูกเรามาเกิดในบ้านเราเป็นพุทธแต่ตัวเขาไม่เป็นพุทธจะทํำยัยำยงไงเขาเป็นอะไรก็เขาต้องเป็นไปตามตามบุญตามกรรมของเขาไปไม่ไม่ต้องไปเสียใจเสียอกเสียใจอะไร อย่าไปอย่าไปทะเลาะ ก, กันอย่าไปมีเรื่องมีราวกันเรื่องของความเชื่อนี้เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะบังคับใจกันได้แต่เราสอนได้บอกได้ว่าศาสนานี้ดีอย่างไรสอนอย่างไรมีอะไรดีไม่ดีอย่างไรถ้าอยากจะเชื่ออยากจะปฏิบัติตามก็ดีไปถ้าไม่อยากเชื่อไม่ปฏิบัติก็แล้วไปตามใจ คำถามต่อไปจากคุณทีคัตนาถ้าเรามีการเจ็บป่วยเป็นประจำแต่ก็สามารถฝึกสติสมาธิได้ทุกวันเป็นประจำเช่นกันแต่ทำอย่างไรให้ยอมหยุดเย็นได้อย่างถาวรเจ้าคะหรือเป็นเพราะพลังจิตจากสมาธิที่จะมาเป็นตัวอุเบกขายังไม่เพียงพอปฏิบัติน้อยไปให้ปฏิบัติเยอะๆให้มีวันพัาเยอะๆ บฏิบัติทั้งวันทั้งคืนดูเลยรับประกรันได้พลังจิตจะเพิ่มขึ้นมาเองคำถามต่อไปจากคุณนางถ้าเราเป็นผู้ขายลอตเตอรี่อันนี้ผิดศีลไหมครับไม่ผิดเราก็เป็นอาชีพยอย่างหนึ่งเป็นเป็นการค้าขายกระดาษฮะกระดาษมันไปผิดตรงไหนฮะกระดาษก็มีตัวเลขทะานนั้นเองคนซื้อไปบางทีก็ได้แต่กระดาษเปล่าไปบางคนมีบุญมีโชคก็ได้รางวัลกลับมาเพราะนั้นเอง ก็ยังเป็นอาชีพที่ไม่ผิดไม่ผิดศีลไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ไปพูดผิดประเพณีไม่ได้ไปโกโหกหลอกลวงใครย่งั้นก็ไม่บาปหรอกคำถา ม, ถามหมดแล้วครับ okay. มีใครอยากจะถามอะไรไหมเชิญ <Okay. S 1> ถามได้นะเพอเดี๋ยวพอเลิกแล้วจะเข้ามาถามนี่ต้องขออภยัยจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่าจะไม่ไม่ว่างจะต้องทําอะไรอย่างอืงอ่นต่ออถ้าอย่างนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้